ส่วนที่ทุบค่ะเราก็มาถึงเวลาที่จะได้พบกับคุณอาจารย์เผยบุญอภิปุโนกันอีกแล้วนะคะในรายการสันสินิสนทนาในวันจันทร์นี้หลังจากที่ได้พักกันไปในช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ก็จจึงบางท่านเหมือนกันนะคะที่ได้พบท่านเผยบุญที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามที่โน้นไม่มีดิฉันแต่ที่นี่เป็นการสนทนากันซึ่งเราก็มีความรู้สึกยินดี อยู่เสมอที่ได้ไปพบผู้ฟังและผู้ฟังเนี้ยก็ฝากคำถามมาก็มีนะคะชนิดที่ไม่ได้ส่งขึ้นเทวธรรมะ .com/106 ของท่านเพบูลตอนนี้ท่านเพบูลท่านก็พร้อมอยู่แล้วในสายนะคะเรามากราบนำ้ำศการท่านพร้อมๆกันคะ่ะกราบน้ำสศ ก, การคะ่ะท่านคะ่ะเทียนฟานวันนี้เราพบกันในวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเลยนะคะอืมวันวิสาขบูช า, าคัค่ะอืม พผู้เช้าบอกอย่างนี้แต่เขาพูดนิดนึงเกี่ยวกับพุทธชีวิตีนิดนึงในสถานะที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่ครบรอบพระพุทธเจ้าของเราบังเกิดมีมาสองพันหกร้อยปีะเรื่องการคำนวณวันเวลาก็ก็ตามที่เขาสมมุติเอาในอย่างไรก็ตามถ้าเราจะใส่เหตุปัจจัยนี้ในการที่จะมาระลึกถึงบุคคลใดสักบุคคลหนึ่งที่ที่มีความดีความงามอันนี้เราสมควรแต่ถ้าเราสามารถใช้ อ่าเหตุการณ์ต่างๆในชี่ิของเราเระลึกถึงบุคคลแบบนี้ได้ทุกวันแหม่ยิ่งดีมากนะเพรา ะ, ะนั้นครเูเชาเคยตรัสไว้อย่างนี้นะบอกว่าตอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนะที่ใต้โคนไม้โพล์นะใต้ต้นไม้โพล์คืนนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วสว่างวับๆอยู่นิดนึงที่ขอบฟ้านั้นะเราก็พอรู้สึกพระองค์ว่าได้สิ้นตัณหาแล้วเนี่ยได้ตรัสข้อความนี้ไว้ที่ใต้ต้นไม้โพลนั้นนะคระเูเชาตรัสอย่างนี้บอกว่า เมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างมัวสอาหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่าไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเหนยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้ว ยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วยาไม่ได้เสียแล้วมันได้รู้ถึงความหมดอยากทุกอยาก่างตราไว้ตรงนี้ตันนี้ข้อความที่ตรสตรงนี้เนี่ยก็อธิบายนิดนึงนะผู้เช่าพูดถึงนายช่างผู้ปลุกเรือ น, นนั่นคือตัญหานะที่คอยเป็นตัวสร้างเรือนะผู้ผู้ก่อสร้างเรือนคืออตภาพอยู่ แล้วก็โครงเรือนนี้ก็คือเจ้ากิเลสนะส่วนยอดเรือนคืออวิชาที่คอยคลุมไว้ไม่ให้น้ำมันลงมากัดมาอะไรตัวเรือนเนเพราะเรามียอดเรือนบางอยู่ในบ้านถึงไม่พังเนเะมื่อไหร่ยอดเรือนออกออกไปปุ๊บบ้านจะเริ่มถล่มทลายลงทีนี้ประเด็นก็คือว่าพระพระเจ้าตรัสคำนี้ออกมาเป็นคาถานะที่ใต้ต้นไม้โพแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นี่เลยนะอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาประมาณสัก สองสามสัปดาห์หรือประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละประมาณสักสองเดือนเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วก็ออกเดินทางจากแถวๆนี้แถวตำบลอีซิตำบลขยาเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยกลับมาที่นี่อีกเลยเพราะฉะนั้นข้อความจนชนชีพยยของพระพุทธองค์เลยล่ะคะใช่ใช่แต่เพระาะฉะนั้นข้อความตรงนี้ก็เป็นพุทธวัจานะที่ตรัสไว้ที่ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็ผ่านไปละไม่มีอีกแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่อาตมาได้เดินทางไปที่อินเดียนะ ที่<ะ>พุทธคยาเนี่ยโอ้เราเห็นต้นต้นไม้โพเนี่ยสถานที่ที่เขาสร้างเจดีย์ไว้ตรงนั้นนะนะอ้ยอาตมามีความซาบซึ้งมากนะถ้อยคำเนี้ยโผล่ขึ้นมาในใจเราเลยนะโอ้ว่ า, เ, าเมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างนะมัวสหาในช่างปลูกเรือนอยู่แม่การเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาตินะอย่าง<ะ>เงี้ยจนกระทั่งมาได้ตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้โพได้ตรัสคานี้เอาไว้นะอืมค่ะอ่า ท่านฟังคะวันนี้เท่ากับว่าเราได้ฟังทีเด็ดเลยเพราะว่าตลอดชีวิตของบางคนอย่างกับดิฉันเนี่ยก็เกือบครึ่งศตวรรษนะคะที่กวรจะมาทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสอะไรในวันที่ตรัสรู้แล้ววันนี้ท่านเพริบุญก็ได้นําเอามามอบให้กับพวกเราเป็นของขวัญเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้ระลึกถึงพระพุทธองค์อย่างแจ่มชัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเราพูดกันอยู่ทุกวันเลยในพวกเวลานี้ว่าพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วพ<ม>ระพุธองค์พรตรัสรู้ได้กล่าวพุทธวจนะดังที่ท่านไปบุญได้พูดแล้ว<ม>ว่าเมื่อ ย, ยังค้นไม่พบแสงสว่างนี่มันแสวงหาการเกิดร่ำไปถูกไหมคะใช่ตันหามันพาไปให้เกิดแล้วก็ดับตันหาได้แปลยยงนั้นะคะถูกต้อง ในเมื่อดับตัณหาและอภิชาได้ไก็ได้รู้ถึงความหมดอยากทุกอยาก่างบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นให้สาวกหรือผู้ศรัทธาในพระพุทธองค์เพียงแค่รู้ว่าธรรมะที่จำเป็นกับการดำรงชีพบนโลกใบนี้เป็นอย่างไรก็เพียงพอแล้วแล้วก็บอกว่า ไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องปฏิบัติให้ถึงทางหลุดพ้นจริงๆแล้วเป็นเช่นนั้นไหมคะการที่เรารู้ข้อมูลที่จะทําให้เราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสบายใจนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วนะวันในช่วงวันวิสาขะอย่างเงี้ยก็จะมีนักเรียนที่มามาที่วัดป่าดอนไห่โศกนะโรงเรียนบ้านหนองเต่ดาดอนไห่โศกเนี่ยเขาก็มานะก็พูดถึงการทําสมาธิกันนะพอพูดถึงการทําสมาธิปุ๊บ คนทั within, ่วไปเนี่ยคุณโยมเดี๋ยวก็จะพูดคิดถึงการทําสมาธิเป็นรูปแบบอคุณต้องนั่งขวาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกายตรงหลับตานีนึกอะไรก็แล้วแต่นี่นี่มันเป็นการทําสมาธิที่เป็นรูปแบบแต่แต่สมาธิเนี่ยถ้าเราพูดจริงๆก็คือความตั้งใจมั่นนั่นคือการที่เราเอาใจจดใจจ่อในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณขับรถอยู่คุณไม่มีสมาธินี่แย่เลยคุณเตะฟุตบอลอยู่คุณไม่มีสมาธินี่เตะไปไม่รู้เรื่องเลยคุณประชุมอยู่เรียนหนังสืออยู่สอนหนังสืออยู่คุณไม่่่่มมีีสาธนพูดเเรืือองไปลย แล้วพราะันสมาธิเนี่ยคือการตั้งใจมั่นชอบนะการตั้มใจให้จดใจจ่ออยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งการทำในเรียนบทไหนก็ได้อค่ะแล้วกับประเด็นที่ว่าพวกเราจะต้องพระพุทธองค์ทรงต้องการให้พวกเราเนี่ยถึงการดับทุกอย่างสิ้นเชิงเลยหรือไม่อันนี้คําตอบว่าอย่างไงครับท่านอาจารย์อันนี้มันเป็นเป็นธรรมดานะคือหมายความว่าถ้าเราทําทางนี้ไปเรื่อยๆนะอยู่เป็นมากไปเรื่อยๆแล้วคุณหวังหรือคุณไม่หวังไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ถึง นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากําลังจะพูดถึงตอนนี้คือดับปัญหาของเราดีกว่าดับความทุกขนะ์แก้ไขความทุกข์บนะรรลุไม่บรรลุยกไปก่อนก็ได้เพราะพูดไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดนะีเป็นว่ายังไม่ต้องก็ได้นะเอาทําวันนี้ให้เราดีนะเราอยูอ่ชีวิตอย่างในศีลสมาธิปัญญานะถ้าคุณอยากรวยคุณก็จะได้ถ้าคุณอยากสวยคุณก็จะได้ถ้าคุณอยากสําเร็จคุณก็จะไดนะ้ถ้าเราเดินตามมาร์กนะค่ะพนะระพุทธองค์ทรงวางมาร์ก เขาเรียกว่าตรัสรู้ค้นพบมากไว้ให้เราแล้วใช่ก็เพียงแต่ว่า<ม>เรามาทำความรู้จักแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะเดินตามผลทั้งหลายทั้งปวงตามที่เราปรารถนาใช่ไหมคะใ ช, ใช่ใช้คํานี้ได้ไหมคะว่าผลตามที่เราปรารถนาก็จะเกิดนะคะ<ช>เพราะ ม, <ช>มันดูเหมือนกับว่าโอ้เป็นของวิเศษมากเลยนะคะเนี่ยอยากได้อะไรก็ได้เนะะี่ยค่ะอ่คือความปรารถนาในที่นี้เนี่ยคือหมายความว่าอ่าถ้าเรามีจิตน้อมไปที่เราจะต้องการได้สิ่งนี้ นีมันก็จะเป็นมันต้องมีหนทางของเขาอะน ะ, ะ, อะถ้าพูดถึงความสวยอ้าวต้องปฏิบัติตามศีลแต่พูดถึงความรวยอ้าวคุณต้องอขยงขันขันแข็งอย่างเงี้ยนี่เป็นเส้นทางที่จะไปถึงได้ค่ะแต่เนื่องจากว่าวันวิสาขาบูชาดังที่เราทราบกันมาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการวันแห่งการตรัสรู้เท่านั้นยังมีอีกสองวันสําคัญของพระพุทธองค์ก็คือการประสูตรกับการประนิพน์พานเนี่ยคะ่ะท่านจะ พูดถึงอีกสองวันนี้ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายทั้ง3วันนี้ไหมคะก็จะพูดถึงที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ตอนที่ประสูตรดีไหมนั่นคืออภิสวาจานะที่พระเจ้าตรัสตอนที่หลังจากออกจากคันพระมารดาเนี่ยออกจากคันของพระมารดาเสร็จแล้วก็เดินไปนะเจ็ดก้าแล้วก็ได้กล่าวถ้อยคํานี้ออกมานะก็เรียกว่าอัศพิวาจาแลนะบอกว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ย่อมไม่มีนะว่ายิาง่งค่ะพูดถึงอาสภิวาจาเนี่ยดิฉันจะค่อนข้างาได้พูดถึงอยู่บ่อยๆอืต้อ ง, งได้เลยไหมค่ะได้ไปช่วยในโครงการของคุณหญิงสุดารัชเกยียรราพันธ์อุรณาปฏิสังข์ของสถานที่ประสูมและช่วงนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการรวบรวม ให้ท่านทั้งหลายทำบุญแผ่นทองเพื่อนำไปหล่อพระพุทธเจ้าน้อยอไปประดิษฐานที่บริเวณทางเดินเข้าสถานที่ประสูติแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเงินทําบุญที่ได้จะนำไปสู่การบุรณะซึ่งจากทำทางเดินดังที่ว่าสร้างพระพุทธเจ้าน้อยเป็นสัญลักษณ์ว่าคนไทยได้ไปบุรณะปฏิสังข์เป็นครั้งที่สามของโลกและอีกประการหนึ่งก็คือว่า สร้างอาคารอนเนกประสงค์ทีนี่ดิฉันสงสยัยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าเคยอ่านมาบางทีก็บอกว่าเราจะมีคำว่าจะอือพูดถึงว่าตั้งใจเพื่อที่จะเป็นแต่อย่างกับที่ท่านได้อ่านเมื่อสักครู่นี้จะไม่มีคำว่าจะหเหมือนกับท่านพูดถึงคุณสมบัติของท่านเลยถูกไหมคะคือเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เจริญเราเป็นผู้ประเสริฐ อันนี้ก็คือว่ารู้แล้วว่าเกิดมาเป็นใครถูกไหมคะกับถ้าเป็นนัยยะอย่างมีคำว่าจะอย่างที่บางที่เขาเขียนกันเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามาประกาศเพื่อที่จะพยายามทำให้มากยิ่งๆขึ้นไปให้เจริญที่สุดในโลกให้เลิศที่สุดในโลกอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเนี่ยตรัสเป็นอธิษฐานไว้เพื่ออนาคตหรือว่า ตรัดเพราะรู้แล้วว่าเป็นใครที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสำนวนแปลแต่และคนไม่เหมือนกันนะนะแต่มันต่างกันเยอะนะคะในความหมายเออคือหมายความว่าอันนี้เป็นคําของที่พระเจ้าเล่าให้ท่านพระราชนฟังค่ะนะเนื่องะากนั้นเนี่ยมันมันก็คนละ tense น, นะถ้าเราพูดถึงหลัก tense เนี่ยใช่ค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่เราพูดในกรณีของปัจจุบันเนี่ยในพูดของปัจจุบันเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นคำว่าจะ ก, ก็จะต้องไม่มี เพราะว่าเพราะคุณได้ไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงในกรณีตรงนู้นนะพูดในขณะที่เราอยู่ในอดีตก็ต้องใส่จ่าเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่สำนวนแปลของของไกลนะเนาะหรือคะแต่แต่ดิฉันเนี่ยอยากกล่าวเรียนท่านเพื่อเห็นท่านศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าเยอะใช่ไหมคะ嗯嗯ว่าในเมื่ อ, อกว่าท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบําเพ็ญบารมีมาเยอะแล้วพอท่านเกิดมาปุ๊บท่านก็สามารถย้อนไปให้ทราบกันได้ใช่ไหมคะว่าก่อน ก่อนมาเกิดในภพนี้เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเกิดอย่างไรที่ไหนทําอะไรมาบ้างจึงได้พร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จึงคิดว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษล่ะอยังสงสัยอยู่ในตัวเองเนี่ยว่าก็เป็นไปได้นะถ้าจะตรัสโดยคําว่า tense ของท่านเปี้ยบูลเมื่อสักครู่หมายถึงการนะคะ<ช>ว่ามันเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตแต่ที่เราได้สนทนากับท่านอาจารย์อยู่ในขณะนี้เนี่ยพูดถึงสองการเท่านั้น คือพูดว่าถ้าหากเป็นปัจจุบันก็คือทันทีที่ประสูตรมาทรงพระดำเนินเจ็ดเก้าปุ๊บเนี่ยทรงรู้เลยว่าจะเป็นใครก็เลยบอกคนที่อยู่รอบข้างว่าเราเนี่ยเป็นใครมาเกิดถูกไหมคะมกับถ้าอีกความหมายหนึ่งเราจะเนื้อคือว่าเราเกิดมาแล้วเราจะเป็นใครต่อไปออซึ่งจะไม่เหมือนกันทีนี้ดิฉันเองเนี่ย ก็ต้องบอกท่านจริงๆเลยนะคะว่าสงสัยมานานแล้วขอกลับไปถามนะคะว่าถ้าจะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการไหนกันแนะน่คนคนที่เป็นโพลิสัตนะคุณยมติวพูดถึงพระูญเจ้าน้อยเลยจริงๆคือโพลิสัตถ์ถ้าจะใช้ใช้ชื่อให้ถูกต้องตามหลักพระดุริยชนะก็ควรจะเรียกว่าโพลิสัตว์แต่พวกเรายังไม่ได้เป็นพรนะูญเจ้านโพธิสัตว์เนี่ยตั้งความปรารถนาไว้ในสัมมาสัมปวิยาน เอาอีกทีหนึ่งโพธิสัตว์คือผู้ที่ตั้งความปรารถนาไว้ในสมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นความปรารถนาในสมาสัมโพธิญาณเนี่ยคุณผู้ชมติวมันฝังลึกในจิตนะอย่างครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยมีความปรารถนาในสมาสัมโพธิญาณโอ้กว่าจะละได้นี่โอ้โลำบากสหกาหัสกันเพราะมันฝังลึกในจิตแต่ถามว่าบางคนเนี่ยปรารถนาความเป็นสมาสัมโพธิญาณเนี่ยเที่ยวประกาศตัวเองไปก็มีว่าฉันอยากจะเป็นบรูเจียรสักวันในวันหนึ่งนะก็หลายๆคนก็เคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อน แตนะถ้าเราเจอบุคคลที่อยากประกาศตัวเป็นผู้รเชา่าล้วก็ไม่เป็นไรนี่เพราะก็เป็นเป็นโพลิสัตย์อยู่ค่ <Okay. S 1> แะแต่เพราะฉะนั้นไอการประกาศตัว ต, วตรงเนี้มันมีตั้งแต่คิดเอาเฉยเฉยนะพูดด้วยนั้นะเราก็พูดต่อนหน้าผู้เช่าอีกนะพูดกับคนอื่นหรือพูดตัวเองโอ้มันมีหลายระดับตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเราวิเคราะห์ในกรณีที่คุณยมถึงพูดมาสู้นะว่าถ้าเผื่อว่าโพลิสัตย์องนี้เนะนี่ยโพลิสัตย์คนนี้เนี่ยต้องการจะเป็นผู้บริจาก็ประกาศให้สื่อมวลชนทราบไม่มีเสียหายทำได้ นะหรือว่าถ้าในกรณีที่สองเคสที่สองที่ว่าพระองค์รู้แล้วว่าชานี้ฉันจะมาตัดสรู้ฉันจะพูดแล้วก็ ก, ก็ในความเป็นผู้ริชาที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่เสียหายเหมือนกันค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเมื่อทรงมาเกิดมาประสูตินั้นเนี่ยเป็นโพธิสัตว์อยู่ในขณะนั้นเลยตอนจุติลงมาแล้วก็ประสูตจากคันพระมารดาถูกต้องใชไม่ใช่การประสูติของท่านจึงพิเศษดังนั้นเนี่ย มาถึงวันนี้ผ่านมาการเนิ่นนานการแปลเนี่ยก็สุดแท้แต่จะแปลอย่างไรแต่ว่าถ้าทางคณะของท่านพุทธทาสหรือเปล่าคะที่ท่านไปนบุญได้อ่านให้ฟังในสักผู้นี้นจะพุตา น, นะคะซึ่งท่านทำงานชุดจากพระโอษฐ์ เ, เป็นเวลา20กว่าปีเพื่อที่จะคัดปรองคำของพระพุท ธ, ธเจ้าแปลไว้อย่างนี้โดยไม่มีคำว่าจะถูกไหมคะถูกต้องเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญ แห่งโลกใช่ไหมคะเราเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกค่ะใช่มีเป็นชาติสุดท้ายค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่าจะตรัสมีจ่หรือไม่มีจ่าเนี่ยสามารถเป็นไปได้โดยความหมายไม่ได้แตกต่างกันใช่นะคะแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือเป็นพระพุทธเจ้า จริงๆดังนั้นก็อาจประกอบกับการที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆสามารถทําให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้จริงๆเจริญที่สุดจริงๆประเสริฐที่สุดจริงๆเลิศที่สุดจริงๆสาธุกันหน่อยดีไหมคะท่านผู้ฟังที่รบค่ะเคยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาสงสัยเราจะมีเวลาเพียงเท่านี้นะคะท่านบุญคะก็อนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอยากให้ท่านพูด ว่าพวกเราชาวพุทธทำอะไรถวายพระพุทธเจ้าในวันนี้ดี ja han, ก่อนจากกันค่ะเอ่อก็ปฏิบัติบูชาในบ่ริชาพูดถึงการบูชาด้วยการปฏิบัติแต่บันท่าวันนี้เราทําด้วยทั้งกายวาจาใจในด้วยการปฏิบัติบูชาเนี่ยเจอใส่บากก็ตามหนีด้วยการให้ละเนี่จะรักษาศีลไม่ด่ากันไม่ว่ากันใจเราทําให้บริสุทธิ์ไม่โกรธใครไม่เกลดแค้นใครเราสบายใจมากเลยบูชาพระพาอย่างดีเยี่ยมจริงๆ ก็กราบนมรสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะาท่านฟังที่เคารพค่ะเรามาปฏิบตับติบูชาองค์สมเด็จพระอสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะคะเนื่องในวันสําคัญของพระพุทธองค์คือทั้งประสูตรตรัสรู้และปรินิพานในปีที่ตรัสรู้มาครบ 2,600 ปีปีนี้รายการสรนสนีสนทนาก็ขออนุโมทนาในสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติตามธรรมของประสมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านและขอให้ชีวิตของท่านนั้น พบกันแต่ความสวัสดีจากการดำเนินชีวิตตามพุทธวจนะพุทธวสวัสดีค่ะ